เดือดก่อนไม่ได้เจอกันภาวนาหรือเปล่าต้องภาวนานะเจอหลวงพ่อหรือไม่เจอต้องภาวนาดะงนั้นก่อนหลวงพ่อไม่ได้ขี้เกียจนะหลวงพ่อคดีต้องไปเผาศพครูบาจารย์องค์หนึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดุล่ น, นก่อนหลวงพ่อภาวนาดีแต่ท่านบวชอายุตั้งหกสิบละบวชเมื่อแก่ท่านคนแก่ก็ภาวนาได้นะอย่าท้อใจ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 สาธุนะนิพพานะปัจโยโหตุเนี่ยนุ้มมีเสียงอย่างนี้ด้วยแม้ไม่งั้นไลังบางทีก็ต้องเคาะระฆังให้เทวดาได้ยินอย่างงี้นะสารพัดเลยเรียกร้องปรารถนานิพพานแต่ไม่เริ่มต้นเดินทางไปสู่พระนิพพานเพราะนั้นเรียกร้องไปเถอะเรียกร้องให้ตายก็ไม่ได้เรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติจะลงมือปฏิบัติได้ต้องศึกษาเสียก่อน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 ตอนนี้พวกเรามาถูกทางแล้วพวกเราปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเรานันเรียกว่าเราตั้งเป้าถูกแล้วนะถ้าปฏิบัติเพื่อให้เฮงเพื่อให้มีโชคมีลาภอะไรตนะ่างคนละเรื่องกันนะไม่ใช่ศาสนาพุทธแท้ๆหรอกศา ส, สนาพุทธแท้ๆเนี่ยปฏิบัติไปเพื่อพระนิพพานในสมัยพุทธกาลนะเคยมีพระองค์หนึ่งชื่อพระปุณณนะมันตนีบุตรพระองค์นี้เป็นองค์ที่เทศให้พระอานุ์ฝังแล้วพระอนุนได้พระโสดิบัณ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 ทำความรู้จักกันไว้นี่วันหนึ่งพระพุณณมันตนีบุตรมาจริงๆมาเฝ้าพุทธเจ้าสนทนาธรรมกันพอสมควรแล้วนะท่านก็ออกไปอยู่ที่ป่าไปพักผ่อนตอนกลางวันเนีไปพักในป่าลูกศิษย์ภาษาลีบุตรเนะเห็นพระพุนณมันตนิบุตรมารีบไปบอกภาษาลีบุตรภาษารีบุตรรีบกว้าอาศนะนะตามไปตามไปในป่าไปถึงก็เห็น พระมัตานิบุตรท่านพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งพระสารีบุตรก็ไปพักอีกต้นหนึ่งไม่ไม่ทะเลทาราเข้าไปนะมีมารยาทเวลานี้ท่านจะพักผ่อนนะไม่ใช่ชั้นจะคุยธรรมะงั้นเวลาหลวงพ่อพักผ่อนนะียอย่าไปยุ่งกับหลวงพ่อนะบางคนแล้วมันยังไม่ให้เราพักเลยนะเรียกว่าไม่ถูกธรรมเนียมนะนี่ขนาดพระสารีบุตรนะท่านเป็นอัครสาวกนะศักดิ์ของท่านสูงกว่าพระมัณฑ น, นิบุตร ท่านก็รอพอตกเย็นๆพระมันฑนิบุตรท่านออกจากสมาธิมาพระสารีบุตรก็เข้าไปทักทายไม่บอกชื่อกันนะทักทายแค่ว่าท่านเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเหรอนีใช่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าถามันไปถามมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าด้วยกันพระสารีบุตรถามอีกว่าท่านปฏิบัติภาวนาเนี่ยเพื่อความบริสุทธิ์ของศีลหรือนะพระมัณฑนิบุตรบอกไม่ใช่พรนะาสารีบุตรถามต่อว่า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 รู้อริยสัจ ร, รู้แจ้งอริยศั์หรือเปล่าพระมัณฑนิบุตรก็ยืนยันว่าไม่ใช่พระสัททบรุษก็ทําเป็นงงต้องแกล้งทํางงนะระดับท่านไม่งงหรอกนะท่านบอกเอ้าวไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่นะถามมาเจดข้อแล้วไม่ใช่สักข้อแล้วท่านปฏิบัติเพื่ออะไรพระมัณฑนิบุตร บ, บอกว่าก้าผมปฏิบัติภาวนามานี่นะเพื่ออนุปปาทาปรินิพพานเป็นเพื่ อ, อนิพพานนะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น งี้ยพวกเราตั้งเป้าถูกแล้วตั้งเป้าถูกแล้วเราก็ต้องเดินในเส้นทางที่ไปสู่พนานิพันธ์ยุคนี้เป็นยุคที่ดีมากพวกเราสนใจพนานิพันธ์พานิพันธ์ไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กนิพันธ์มีจริงๆหลวงพ่อต้องมาประกาศเลยนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านให้ประกาศนะธรรมะต้องประกาศให้บริสุทธิ์หมดจดเลยนะไม่ใช่มา อ, อ, อ้ําอําอึ้งอึมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องมีสิไม่มีจะปฏิบัติทําไมอ่ะ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 แใจเราหนักๆบางทีใจก็มีตันหาก็ถูกบีบรู้สึกไหมถูกบีบถูกเค้นหนักๆเนี่ยพวกเราเห็นแล้วนะเราเห็นสิ่งที่ตรงข้ามกับพระนิพพานนะพระนิพพานคือสิ่งตรงข้ามกับที่เราเห็นนี้แหละพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่นี้กระจอกง้อยนะบอกว่ามีนิพพานมีอยู่แต่ว่าไม่รู้จะไปยังไงท่านไม่ได้สอนนี้ท่านบอกกระทั่งวิธีที่จะไปสู่พระนิพพานวิธีที่จะไปสู่พระนิพพานนะต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นมีคําว่าเท่านั้นด้วย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 บางคนก็พยายามคิดตัวเลขใหญ่นะเอาอะไรคูณกันบ้างแล้วได้รนะ้อยแก็มีนะพวกนักปริยัติเขาคูณจนได้นะได้รนะ้อยแปดทไงทั้งหมดความอยากทั้งหลายทั้งปวงถึงจะมีมากนะโดยย่อลงมามันก็คือความอยากให้กายนี้ให้ใจนี้มีความสุขความอยากให้กายนี้ให้ใจนี้พ้นทุกขนะ์จิเลศตันหามันจะมีเท่าไหร่มันก็แค่นี้แหละตัวตันหามันก็คืออยากจะสุขอยากจะไม่ทุกข์เท่านั้นเอง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 สิ่งใดที่เรารู้สึกเป็นตัวเราก็คือกายนี้กใจนี้เรารู้สึกว่ากายเป็นตัวเราใจเป็นตัวเราคงไม่มีใครรู้สึกว่าไมโครโฟนเป็นตัวเราโต๊ะเป็นตัวเรานาฬิกาเป็นตัวเราหหรือคนอื่นเป็นตัวเราหรือพื้นเป็นตัวเราผมไม่มีใครวิปลาสขนาดนั้นแค่รู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราก็วิปลาสพอสมควรแล้เป็นความเห็นผิดเป็นความเข้าใจผิดเป็นการหมายรู้ผิดผิด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 ไปนานนะกว่าจะได้ก้าวหนึงน้ถ้าถูกหมาไล่กัดมันกัดตายไปนานนละ้วนะหนีไม่ทันเรนะาจะไปดัดแปลงมันนะในอัธถกถาเนี่ยในคำพีชั้นอัธถกถาเนี่ยสอนไว้เลยถ้าเมื่อไรอยากปรุงแต่งฝ่ายดีอยากยากปฏิบัติธรรมเนี่ยปรุงแต่งฝ่ายดีนะสิ่งที่ทำมาเนี่ยก็คืออัตตะกิลมัทฐานุโยคอัตตะกิลมัทฐานุโยคคือการทำกายทำใจให้ลาบาก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 พรนะพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะมากเกินไปหรือเวลาเดินพ่อแม่สอนให้เดินมาธรรมดานี่แหละบางคนก็เดินขย objc เ ย, ยกบ้างขาไม่เท่ากันอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะไม่จําเป็นต้องเดินสวยนะเดินท่าไหนก็ได้ขอให้รู้สึกตัวนะถ้าเราคอยรู้สึกตัวอยู่นะเราคอยรู้กายเห็นกายมันทํางานนะ <inaudible> เห็นจิตมันทํางานคอยดูมันไปเรื่อยเรื่อยเราจะเห็นความจริงของเขาแต่ถ้าเราไปเพ่งให้กายนิ่งไปเพ่งให้จิตนิ่งเราก็จะไม่เห็นความจริงของเขาเขาจะนิ่งเกินจริง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 พรพวกเราตื่นนั่นเองพวเราตื่นนะจิตใจพวกเราสว่างไสวจิตใจพวกเรามีความสุขนี่แค่มีสตินะคิดดูนี่แค่เบสิกเท่านั้นเพิ่งจะมีสติเองอะ่นะถ้าใจมีความตั้งมั่นถ้าใจมีปัญญาถ้าใจเกิดวิมุตต์เกิดมรรคผลขึ้นมาเราจะมีความสุขขนาดไหนมีความสุขมหาศาลมีความสุขจนไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้ความสุขในโลกเป็นของหลอกลวงช่วครั้งชั่วคราวความสุขในโลกเป็นของที่อิงอาศัยคนอื่นและสิ่งอื่น แต่ความสุขในธรรมะของเราเรามีสติเราก็มีของเราเองไม่ได <te <an> ้อาศัยใครไม่ได้ไปเช่าสติมาจากใครเรามีสมาธิเรามีปัญญาเราก็มีของเราเองสะสมพ่อปูนของเราเองเราพึ่งตัวเองได้งั้นยิ่งเราฝึกไปนะเรายิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นไม่ต้องมีใครมาวาเลนไทน์กับเราเราก็มีความสุขนะอไม่ต้องมาส่งความรักให้เราหรอกเพราะเรารักตัวเองแล้วเรารักตัวเองเราก็มาหัดภาวนาช่วยตัวเองให้มีความสุข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 สมาธิมันจะเกิดขึ้นทีหลังงั้นกายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับสมถญาณิกมาะกับคนทําฌานถ้าไม่ได้ทําฌานทํายากส่วนจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกเมาะกับคนที่จเจริญสติแล้วตามรู้เข้าไปเลยเราะฉะนั้นถ้าคุณจะเดินในสายกายสายเวทนาคุณต้องมีจิตเป็นคนดูไว้เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเช่นเห็นร่างกายมันยืนร่างกายมันเดิ น, ร, น, ดนร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอน จิตเป็นคนรู้นะกายมันยืนจิตเป็นคนรู้กายมันนั่งจิตเป็นคนรู้กายมั <planners> <tennis> <force> หนหายใจออกจิตเป็นคนรูいい้กายมันหายใจเข้าจิตเป็นคนรู้มันจะเห็นไปเรื่อยจนเห็นว่ากายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาใดๆเกิดขึ้นนะความสุขเกิดขึ้นจิตก็เป็นคนไปรู้ความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็เป็นคนรู้นะดูอย่างนี้เรื่อยๆที่สมจะมีคนหนึ่งเป็นคนรู้อยู่จะเห็นทุกอย่างนี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหมดเลยล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราฝึกเอานะ ถ้าชอบสายเวทนาก็ลําบากนิดนึงเวลานั่งปวดปวดก็อย่าขยับเรต้องนั่งดูไปเรื่อยๆจนใจมันยอมรับความจริงว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราไม่อยากดูเวทนานี่นี่ถ้าคนไหนดูกายนั่งไปเรื่อยๆมันเมื่อยร่างกายมันนั่งมันเมื่อยก็ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินเปลี่ยนอิริยาบถไปเราเห็นรูปมันขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไปนี่เราได้รู้รูปแล้วรูปที่เคลื่อนไหวไปมานี่มันไม่ใช่ตัวเราเปลี่ยนอิริยาบถไปนี่ไม่ใช่ตัวเรา ถ้าคนไหนดูจิตนะนั่งไปแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาตอนะนั่งแล้วมันเมื่อยใจกระสับกระสายนะเรารู้ว่าใจกระสับกระสายนี่พวกดูจิตนะพอลุกขึ้นมานะหายเมื่อยแล้วจิตใจมีความสุขพ อ, อ, อพอใจให้มารู้ทันว่ามีความสุขรู้ว่าทันว่าพอ อ, อกพอใจนี่รู้ทันจะิตไม่ต้องลำบากแต่ถ้าจะดูเวทนานะั้นต้องสู้ตายเลยนั่งเลื่อนดูไปเรื่อยๆนะถ้าไม่ตายสักข้างหนึ่งก็ดีถ้าเราไม่ตายกิเลสก็ตายนะเชิญ กลับน้ำมนตาชการหลวงพออ่อค่ะเอปีที่แล้วติดประคองนะคะแล้วก็หลวงพ่อให้ดูกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะคะ่ะก็รู้สึกไหมมัน ค, ออนะคลายออกนะขาดายออกค่ะแล้วสังเกตต่อไปอีกนะอย่างตอนนี้ยกลัวหลวงพ่อก็เลยกดเอาไว้ดู <c oughs> ดออกไหมดูออกค่ะแล้วจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมไม่ค่ะดวออกไหมจิตตอนนี้ไม่ตั้งมั่น รู้สึกไหมจิตตอนนี้กระจายออกไปข้างนอกใช่ค่ะให้รู้ทันว่าจิตกระจายออกข้างนอกนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนึกว่าขาดสัมมาสมาธิอริยมรรคจะไม่เกิดในขณะนั้นะงั้นให้เรารู้ทันว่าจิตเรากระจายออกไปถ้ารู้ทันนั้นมันจะหดเข้ามาเองให้รู้เฉยๆห้ามไปดึงเข้ามาะของคุณตอนนี้ปัญหาของคุณตอนนี้คือมันรู้แล้วมันกระจายออกไปข้างนอกมันไม่ทวนกระแสเข้ามาที่ใจให้รู้เฉยๆว่าออกนอกค่ะ อคนอต่อไปครับน้ำสการอารจารย์ค่ะก็ครั้งแรกที่มีโอกาสได้ส่งการบ้านก็เคยพบท่านมาแล้วจากที่ส่วนศัทธธรรมแต่ครั้นี้ของโยมนี่ไม่ทราบว่าตัวเองที่ทําอยู่นี่ยอมรับว่าเรียนมาทางสมถะแล้วก็ไม่ได้ว่าเรียนมากส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือแล้วมีโอกาสได้สอนธรรมศึกษาแล้วก็เรื่องพุทธประวัติ ทำให้เกิดศรัทธาก็มีความรู้สึกที่อยากจะมุ่งมั่นสู่ถึงมิปัสสนาอย่างแท้จริงให้เรารู้ทันจิตเท่าไปเลยนะเช่นเราอ่านพุทธประวัติจิตใจเราเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้ารู้ว่ากําลังศรัทธาอยู่นะให้คอยรู้ทันไปครับเราไปอ่านเรื่องอื่นแล้วชักโมโหล้วไปฟังเรื่องข่าวสารการเมืองเศรษฐกิจอะไรอารมณ์ไม่ดีรู้ว่าอารมณ์ไม่ดีดูจิตไปเลยนะของคุณของคุณเป็นคนคิดมากดูจิตไปต่อไป ในมัตากาว่าไงยิ้ ม, ม, มไม่เลกิกบางครั้งก็เหมือนกับเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทำไมบางครั้งมันก็เหมือนกับไม่เคยเข้าใจอะไรเลยเรายัางเข้าใจด้วยสัญญาน ะ, ะยังไม่ใช่เข้าใจด้วยตัวปัญญาแท้ๆเพราะฉะนันบางทีก็รู้เรื่องบางทีก็ไม่รู้เรื่องเพะฉนั้นเราคอยรู้ทันใจของเราไปเรื่อยอย่าไปกดให้น<ะ>ิ่งแล้วถ้าใจฟุ้งซ่านทำความสงบเข้ามาบ้าง ให้รู้ทันใจที่สงบต่อไปของคุณต้องดูกายไว้ด้วยนะอย่าทิ้งกายนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปเห็นเหมือนเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆนะไปดูเอานะเห็นกายทํางานไปเรื่อยๆแต่เนี้ยจิตแอบไปคิดแล้วทราบไหมทราบให้รู้ทันแล้วกี้พยักหน้าเห็นไหมดูกายไปด้วยนะอ่ะต่อไปข้ามัส ก, การหลวงพ่อครับ หลวพอครับโดยรวมแล้วผมเริ่มจะรู้สึกตัวเป็นอย่างไรก็เป็นนะโดยรวมก็พอใช้ได้ละแต่ตอนนี้จิตมีโมหะดูออกไหม ค, ความรู้สึกของเราขณะ น, นี้มัวมัวไม่ชัดเจนซึมซึมมัวมั ว, มวดออกไหมครับนะไม่ต้องเกรงใจนะถ้าไม่ออกก็จะได้พาดูอย่างอื่นแทนนะที่จิตมันมีโมหะอยู่ให้รู้ทันนะครับจิตเป็นยังไงให้รู้ทันไปด้วยจิตแอบไปคิดแล้วทราบไหมครับตอนนี้จิตมันไหลไหลไหลไหลไปคิดครนะให้รู้ทัน เนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมนี่ยให้รู้ทันนะอะ ค, คนต่อไปง่ายเห็นไหม ก, มกรรมธรรมทานไม่รู้กายก็รู้ใจก็มีแค่นั้นแหละอะเดิมจะดูลมหายใจเช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็พยายามฟังซีดีของหพ่อนะคะเวลาคุณหายใจนะจิตมันยังไหลไ ป, ไปอยู่ที่ลมอยู่งั้นเวลาหายใจต่อไปเนี่ยดูเหมือนเราดูอยู่ห่างๆมันนั่งดูคนอื่นหายใจอย่าให้จิตน้อมเข้าไปที่ลมนะ คุณว า, ว, าใใดดวางไมโครโฟนกันนะแล้วหายใจไปเนี่ยรู้สึกไหมจิตเราเคลื่อนไปจิตเราส่งออกนอกนะแค่นี้ก็ออกนอกแนละ้วเนี่ยตอนนี้จิตมันฟุ้งซ่านรู้สึกไหมมันขยับไปขยับมานะเราก็รู้ว่ามันฟุ้งซ่านเนี่ยจิตหนีพิคิดให้รู้ว่าหนีไปคิด อย่าไปเพ่งให้นิ่งนะของคุณตอนเนี้น้อมใจให้นิ่งมากเกินไปรู้สึกไหมหจิตใจขณะนี้ไม่เหมือนจิตของคนธรรมดาเจ้ค่ะกลับมาเป็นคนธรรมดาให้ได้ธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะธรรมะกับธรรมดานะคําเดียวกันเราต้องการเห็นว่าธรรมดาของกายนี้เป็นอย่างไรธรรมดาของจิตนี้เป็นอย่างไรอย่าไปดัดแปลงกายดัดแปลงจิตให้ผิดธรรมดาของคนเวลารู้ลมหายใจแล้วมันนิ่งกว่าความเป็นจริงะตอนนี้ค่อยๆ ค, ค, คลายซะ พอเราคลายเราไม่เพ่งกายไม่เพ่งจิตเนะีกายก็เคลื่อนไหวจิตก็เคลื่อนไหวเรามีสติตามดูเรื่อยๆเราจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าเราเพ่งให้กายนิ่งเพ่งให้จิตนิ่งจะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูตอนนี้หนีไปคิดทราบไหมใจไหลไปคิดนะขอคุณรู้สึกที่กายด้วยนะรู้สึกกายให้เยอะนิดนึงคุณทําสมาธิจนจิตมันนิ่งเกินไปนิดนึงแล้วเหมือนพยายามกระดุกกระดิกพยายามกระดุกกระดิกไปอ้าแล้วไงอีก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 ใจเราหายไปตัวเราหายไปครับรู้สึกบ่อยๆนะครับโอภานาเก่งเด็กวันนี้ใจมันตื่นเลยเขินแล้วรู้สึกไหมเขินแ <c oughs> ล้วรเออึกแล้วต่อไปนี้ให้กันบ้านครับเวลาอยากดูหนังประตูนะให้รู้ว่าอยากแล้วก็ค่อยดูทีหลังนะเวลาอยากกินขนมให้รู้ว่าอยากแล้วก็ค่อยกินทีหลังนะให้รู้ก่อนนะแล้วค่อยไปดูค่อยไปกินเวลาอยากไปเล่นให้รู้ว่าอยาก เวลาโมโหเพื่อนให้รูว่ว่าโมโหโมโหใครบ่อยที่สุดเ พ, เพื่อนครับโมโหเพื่อนไม่โมโหแม่เหรอไม่ครับไม่นะโอ้ลูกดีแต่พูดอ่อยๆหน่อยละเพราะฉะนั้นเวลาโมโหให้ร่ว่าโมโหนะเอเวลามีความศกขรู้ว่ามีความโศสนะใจลอยรู้จักไหมเมื่อ <c oughs> กี้ใจหนีไปละเออไปหัดดูอย่างนั้นแหละอ่ะไปต่อไปต่อไปคือใคร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 อ้าวต่อไปครับมณฑสการชอบหลวงพ่ออืมนรัตสการครับไม่ใช่มณัสการอ้าวว่าไงมันเต้นเป้นครับครั้งแรกครับธรรมดาครับทีนี้จะมาขอการบ้านหลวงพ่อครับเดี๋ยขอแล้วทํำไหมครับครับขอแล้วต้องทำนะครับนะคอยรู้ทันใจของเราไปได้ครับใจเราสุขก็รู้ทุกก็รู้นะชีมโหหรือเปล่า นั่นแหละไปดูนะเวลาใจมันโมโ ห, โหขึ้นมาเราก็รู้ทันเพราะความโมโหเนี่ยเป็นสภาวะที่ดูง่ายที่สุดเลยนะมันเป็นของหยับหยาเวลากโกรธขึ้นมานี่ดูง่ายหัดเบื้องต้นเราก็หัดดูสภาวะหยับหยา บ, ยบก่อนนะต่อไปมันละ เ, เอียดเองแค่ขัดใจเล็กๆเรา ก, ก, ก็เห็นแล้วนะไปฝึกเอานะแล้วฟังซีดีบ่อยๆนะครับอ่าต่อไปกราบรัสการ์พระอาจารย์ครับผม ไปอยู่วัดเมื่อเดือนที่กาห้าวันครับก็ไม่ได้ส่งกันบ้านประมาณสามเดือนแล้วมันกลับมาจากวัดช่วงแรกก็ดีอยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รู้สึกมันมัวๆไปไม่ค่อยมีปัญญาภาคหลังนี่รู้สึกมันพอไปยุ่งกับโลกก็รู้สึกจิตใจแย่ลงแต่เรื่องกดยังไม่ไม่เลิกกดครับว่าจะมันเวลาเรานั่งสมาธิก็จะมันก็จะกดทันทีเลยเออนะมันจงใจ พยายามปฏิบัติในชีวิตธรรมดาธรรมดานี่ให้มากๆากนะส่วนการเวลาไปนั่งสมาธิมันกดก็รู้ว่ามันกดไปก็นั่งไปนะตอนนี้กดไม่มากแล้วใช้ได้ครับจิตมันมัวรู้ด้วยความเป็นกลางนะเพราะฉนั้นจิตมัวรู้ว่ามัวไม่ต้องอยากให้หายถ้าอยากให้หายยังไม่หายเวลาที่เราอยากให้เป็นอย่างนู้นอยากให้เป็นงี้จิตมันมีความอยากมันมีกิเลสสติแท้ๆเลยไม่เกิด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 เออนะอย่าน้อมใจให้ซึมสินะยังยังน้อมอยู่ใช่ไยังน้อมอยู่ขนาดนี้ยังน้อมเลยเราเรากดกดไปด้วยไหมครับกดเนี่ยกดมันเป็นเรื่องธรรมดาของนักปฏิบัติกดแทบทุกรายแต่ของคุณยังกดอยู่นะแต่ไม่แรงมากหรอกแล้วต้องดูอะไรเพิ่มเติมแต่สังเกตไหมตอนนี้ไม่ได้น้อมให้ให้ซึมนะตอนนี้ไม่ซึมเท่าแต่กี้รู้สึกไหมไม่ไม่ไม่รู้ยังไม่ออกไม่เป็นไรแล้วไงถามอะไรเมื่อกี้อ เรื่องตอนทําในรูปแบบนะครับเช่นเราสวดมนต์ไปเรื่อยนะฮะแล้วเราจะปล่อยคือคือปล่อยให้ใจระลึกรู้ไปเองว่าเผลอไปหรือว่าต้องจงใจนิดนึงนะฮะว่าอย่าไปจงใจสินะถ้าจงใจแล้วจะกลายเป็นเพ่งงั้นให้เผลอไปก่อนเรารู้ว่าเผลอให้ใจรู้เองหรืให้ใจรู้เองทําไมเราต้องสวดมนต์หรือว่าต้องมีกรรมฐานอันใดอันหนึ่งขึ้นมาก่อนปกติเนี่ยจิตของเราเนี่ยร่อนเร่ตลอดเวลา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 เคยฟังค <Cs> no ่ะฟ you know, like so ังก็ใช้ได้แล้วล่ะรู้สึกไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมแล้วจิตเราสว่างกว่าเมื่อก่อนรู้สึกไหมมันโปร่งมันโล่งมันเบาขึ้นมาแล้วนะะงั้นเรามีสติตามดูของเราไปเรื่อยคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยล้วอยากจะทราบว่าตอนขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิอยู่เนี่ยทําไมเราถึงได้กลิ่นกระสอบป่านะคะกลิ่นเลยนะกระสอบป่านข้าวอะค่ะได้กลิ่นอะไรก็ช่างมันเห็นอะไรก็ช่างมัน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 ตอนนี้เข้าใจว่าหลุดออกมาเจอตรงนั้นแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าถูกนะถูกตอนนี้แค่กลัวหลวงพ่อแล้วกดเอาไว้เลนิดหน่อยนะอย่าจิตหนีไปคิดทราบไหมเนี่ย เ, เริ่มกดแล้วเรินะ่มกดแล้วเวลาที่เราจงใจที่จะดูสภาวะอยากจะดูสภาวะให้ชัดๆัดตรงนี้แหละเราจะไปเพ่งนะความเพ่งทั้งหลายนะบางทีเกิดจากจงใจที่จะดูก็จ้องเข้าไปเลยนะจิตก็นิ่ ง, งไปรู้สึกไหมตอนนี้นิ่งไปและ นะอย่าไปทําอย่างนี้นะปล่อยให้มันโซนโนไหมเอาตัวจริงออกมาตัวจริงซนกว่านี้นะอย่าไปบังคับให้จิตนิ่งๆรู้สึกไว้ไบังคับไม่เลิกว่าไงคือคือรู้ตอนนี้ที่เห็นตัวเองคือกี่ละจะติดดีคืออยากให้จิตมันดีท้องไม่ไดีก็ให้รู้ทน<ม>ัน ค, ความอยากนะความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันความอยากเป็นตัวสมูทัยเป็นตัวสร้างพบพบก็คือเป็นคนดี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 ยากนะครับจะขอรักลนขอกรรมฐ า, านที่ให้เป็นวิหารธรรมของคุณนะคุณทําใจที่สงบตั้งมั่นอย่างเงี้ยดีแล้วคุณคอยรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเลยนะคุณจะดูกายได้ชัดกว่าดูจิตนะไปดูกายพอดูกายได้ก็จะเห็นจิตด้วยอบครัเห็นไหมร่างกายไหวร่างกายที่ยกมือร่างกายที่อะไรนะี้มันเคลื่อนไหวเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเราอะอย่ากแกล้งทําอย่ากแกล้งเลยอันนั้นจงใจมากไป ต้องแบบไม่ทันระวังตัวเผลอๆแล้วกะดุกระดิกขึ้นมาเงี้ยแล้วก็รู้สึกเลยเมื่อกี้นี่ตัวที่กระดุกระดิกนะมันทำงานของมันเองไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่ถ้าเราจงใจกระดิกไปไปมาๆจะกลายเป็นการเพ่งเอามีอีกไหมหมดยังนักสกัดหลวาพ่าว่าไงเพิ่งมาครั้งแรกนะคะ เ, เวลานั่งสมาธิที่บ้านนะคะจะรู้สึกว่าจิตไม่สงบแล้วก็เวลาลับตา <K> ก็หัวจะริืมหนักจิตก็ไปเรื่อยเลยค่ะก็อย่าหลับตาสิหลับตาแล้วหัวหนักเหรอค่ะ<า>อย่าไปหลับมันลืมตาแล้วจิตก็จะฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านให้รู้ ว, ว่าฟุ้งซ่า น, นกรรมฐานมีสองอันนะสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานเ น, น, นี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทําแล้วจะทําให้เรามีความสุขความสงบความดีทําเก่งๆนะตายแล้วไปเป็นพระพรหม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 อย่าไปอยากสงบสิอยากสงบนั่นก็คืออยากทำสมถะมักน้อยเกินไปควรจะทำวิปั ส, สนานะจิตฟูงซ่านให้รู้ว่าฝูงซ่านอยากพูดเห็นไหมอา้าวแล้วไงอีกอะ จ, ะจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์นะคะพอดีลูกสมัครไปจะไปเป็นแบบทำที่ขาซ่อนแก้วอะคะอ่ะก็อยากจะขอคำแนะนำนะว่าจะทำยังไง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 วันนึงไปขึ้นเรือบินที่เวียดนามเรือบินของคุณภาพมาตรฐานแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้นะระบบความดันไม่ดีขึ้นไปแล้วปวดหูการบินไทยบางลำก็เป็นนะขึ้นไปแล้วปวดหูแกปวดแกกังวลว่าเดี๋ยวแก้วหูทะลุกังวลใจถ้าเห็นใจกังวลนะจิตมันรวมลงไปถ้จิตมันรวมลงไปแล้วแกก็เห็นว่าจิตนี้มีเปลือกหุ้มอยู่ มียางเหนียวเหนียวหุ้มอยู่นะพอจิตมันรู้ว่ามันถูกห่อหุ้มอยู่นะมันไม่ชอบเลยมันพยายามจะดิ้นมันดิ้นมาทางนี้นะมันก็ยืดตามมานะไม่หลุดมันดิ้นทางนี้มันก็ยืดตามมานะพอครั้งที่สามมันจะขึ้นทางนี้อขยับปุ๊บนะจิตมันหลุดออกมาสะก่อนนะแต่แกก็ฉลาดอย่างหนึ่งแกรู้ว่าแกไม่ได้บรรลุมรรคผลแกรู้ว่าไม่พอยังทําไม่พอะไม่พอตรงไหนผิดตรงไหนรู้ไหมอืม โอ้ตอบแบบกำปั้นทุกพระสุทากำลังไม่พอถูกถูกกำลังไม่พอนะคือจิตนะไม่เป็นกลางนะจิตไปเห็นจิตที่ถูกห่อหุ้มอยู่แล้วไม่ชอบนะไม่เห็นว่าไม่ชอบมัวแต่หาทางดิ้นอยู่นะแต่แกได้ความรู้อย่างหนึ่งว่าหัดดูจิตไปเรื่อยๆนะถึงเวลาเนี่ยมันรวมเข้าอัปปนาสมาธิได้เองนะรวมได้เองนะแต่ถ้ากำลังพอนะแล้วก็เป็นกลางนะกำลังพอเป็นกลางมันจะขาดออกไป นี่รู้ด้วยความไม่เป็นกลางจิตไม่ชอบแต่ทํำยังไงอ่ะตอนนั้นจิตมันไม่ชอบอ่ะทําไม่ได้ทําไม่ได้เพราะเราต้องฝึกตั้งแต่ตอนที่จิตยังไม่รวมเข้าอัปนานี่แหละต้อฝึกไปเรื่อยจิตไม่เป็นกลางให้รู้ไม่เป็นกลางไปเรื่อยจนเข้าเป็นกลางเข้าเองนะถึงวันหนึ่งเขาพอเลยก็รู้ทุกสิ่งด้วยจิตที่เป็นกลางรู้แล้วไม่ดิน้นรู้แล้วไม่ปรุงต่อนี่รู้เราดินด้นดิ้นทั้งนี้ทีทั้งนี้ที จิตของเราถูกห่อหุ้มด้ดยอาสวะกิเลส ท, ทุกคนนะที่ไม่ใช่พระอราหันต์มีแต่พระอราหันต์เท่านะั้นที่อาสวะกิเลส ท, ที่ห่อหุ้มย้อมจิตอยู่นี่ถูกทำลายไปนะนอกานั้นมีอยู่อย่าไปเกลียดมันนะอ่ะต่อไปมีอีกไหมกรา บ, บน้ำมันสการแทบเท้าหลวงพ่อค่ะ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 แต่ตัวที่กวางมากผลอยู่คือตัวที่ไปกดมันไว้เะฉั้นเราไม่กดนะเราปล่อยให้กายให้ใจทำงานแล้วเราตามดูเล่นๆทมดูสบายไม่กดนะแล้วนั่งสมาธิยังต้องนั่ง<ว>ให้ใหลวง <ทำ S 2> ่<ห>ดูซิเนี่ยเริ่มรู้สึกไหมน้อมใจให้นิ่งถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาอย่าน้อมใจลงไปตรงนั้นลืมตาซิลืมตา ก, ก่อนเห็นไหมจิตตรงนี้กับจิตตะกี้ไม่เหมือนกัน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 ยังไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรเป็นวิหารอะไรก็ได้นะเราฝึกให้มีสติเท่านั้นแหละฝึกแล้วสติเกิดบ่อยก็เอานั้นรู้จักใจลอยไหมครับหลังกรก็รู้ถ้าใจลอยแล้วเรารู้ว่าใจลอยเรื่องเรามีสติขึ้นมานั้นเราคอยรู้ทันไปจะขยับก็ได้ขยับเล่นๆ่ะเหมือนที่หลวงพ่อเทียบตะกี้ว่าเหมือนมีขวดน้าเป็นตัวตั้งไหมท่านั้นใจเราเคลื่อนไปจากนี้เราก็รู้ทัน งั้นอย่างเราขยับเนี่ยใจเราไหลไปอยู่ในมือเราก็รู้ทันนะใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันใจเราไปไหนเราก็คอยรู้ทันขยับไปแเราก็รู้ทันใจของเราไปไม่ได้ขยับให้นิ่งนะส่วนใหญ่เปเสร็จตรงให้นิ่งนี่แหละแล้วผมควรใช้อะไรเป็นวิทยาลัทขนาณเนี้ยยมรู้สึกจิตเป็นยังไงบอกหลวงพ่อสิแ น, น, นี้เห็นไหมว่ามันมันผิดธรรมชาติดูออกไย ม, มันตื่นเต้นก็เลยไปกดก ด, กดไว้ ของโยมดูไปได้เลยดูจิตดูใจไปได้เลยดูจิตดูใจดูได้เลยครับอ่ะหมดแล้วเผามีอาการบางครั้งมันวูบมาที่หน้าอกนี้เป็นเรื่องของอะไระไม่เป็นไรดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยนะถ้าเรารรเพ่งมากๆมันวูบลงไปนะอย่าไปเพ่งหรอรู้สึกหรอนะถ้าเรารู้สึกรู้สึกนะเวลาจิตรวมเนี่ยรวมแบบรู้เนื้อรู้ตัวไม่วูหบหรอกแต่ลงแบบนิ่มๆเนลยแบบขดขับเรือบินเก่งๆนะลงนิ่มๆไม่หลงแล้วก็เด้งตึ้งขึ้นมาอย่างเงี้ย ตอนน้ำไม่เป็นน้นตกแล้วเด้งครับการนมัสการพระอาจารย์นะเจ้าคะปีที่แล้วยมไปปฏิบัติที่สวนสถติธรรมพระอาจารย์บอกให้แก้ไขว่ายังติดสมถะและจิตมักจะไหลลงไปแช่ในกายตอนนี้ยมอยากจะเรียนถามว่าดีขึ้นหรือยังดีขึ้นตั้งเยอะเลยรู้สึกไหมล่ะใจเราโปร่งโล่งเบาใจเราปลาดเปรียวว่องไวไมกิเลสอะไรเกิดเราก็เห็น นั่นแหละดีที่สุดแล้วแต่เราไม่ได้ฝึกให้ไม่มีกิเลสนะเราฝึกกิเลสมาเราก็รู้กุศลมาเราก็รู้สุขทุกมาเราก็รู้ไปด้วยในีสุดก็เห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปหมดเลยยมฝึกได้ดีมากนะ<า>ดีแล้ว<า>ใจมันตื่นได้เต็มที่แล้วสบายรู้สึกไหม<า>มีความสุขภาขวานานแล้วมีความสุขเนี่ยนี่ขนาดยังไม่เป็นพระอริยะนะสุขขนาดนี้เราคิดดูสินี่ <c oughs> <c oughs> สธจ้าค่ะเรียนถามวินิดนะจ้าคะอันนี้คือปฏิบัติถูกตรงกับสปลีดแล้วใช่ไมท่าน้นั้นถูกแล้วละะ่ะที่ทําอยู่ตอนนี้ดีเลยละ่ะทําต่อไปน ะ, ะสม่ําเสมอจะได้ผลอะไรไม่สนใจละอย่าไปเอาผลได้ทําเหตุได้มีสติรู้กายรู้ใจตรงปัจจุบันทุกๆวันนี้ก็ดีที่สุดแล้วนะส่วนผลมันจะเป็นยังไงเรื่องของมันมันพอเมื่อไหร่มันก็ตัดของมันเองการนมัสการขอพระคุณอย่างสูงนะจ้าค่ะ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 นี่เรียกว่าสันตติมันขาดแล้วมีพัฒนาแท้ๆมันเริ่มตรงที่สันตติมันขาดหรือคณะขอะร์ลังค์เรานหนูคณะกลุ่มของกลุ่มก้อนของความเป็นตัวเรานี่มันแตกออกไปดีเปึกไปข อ, ขอบคุณค่ะ <c oughs> หนูพ่อค่ะ อ, อหนูยกไม้แบบนี้แบบร้องคาราโอเกะค่ะหนูเคยเ อ, อหลวงพ่อเคยแนะนําให้หนูดูกายไปด้วยค่ะ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 ฝึกได้ดีนะเอ้าหมดแล้วเหรอหมาดีใจดีใจหนอดีใจแล้วรู้ว่าดีใจหลวงพ่อก็พูดไปไงั้นแหละใจเฉยเฉยอ๋อมีบอกให้สรุปอีกสรุปนะสรุปครูบาอาจารย์แต่และองค์นะท่านสรุปคําสอนของท่านกระทัดรัดแต่และองค์อย่างหลวงปู่ดูล น, นะท่านสรุปมานิดเดียวบอกให้ดูจิต อาารมหาบัวเคยสอนหลวงพ่อนะท่านบอกให้มีสติรู้กายรู้จิตลงปัจจุบันหนะลวงปู่ทาท่านบอกให้มีสติรักษาจิตไว้จนะไม่มีแต่เรื่องกายกับจิตทางนั้นเลยนะให้เรามีสตินี่แหละนะคอยรู้สติเป็นคอยรู้สึกไว้รู้สึกนะคอยรู้สึกรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกฝึกไปอย่างนี้แหละนะตอนเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนนะคนไม่ค่อยเชื่อนะรู้สึกอะไรง่ายอย่างมันจะได้ผลเหรอือ ที่เคยทํามายากกว่านี้ตั้งเยอะยังไม่ได้ผลเลยปรากฏว่ามันง่ายนิดเดียวนตอนนี้หลวงพ่อพูดได้ห้าวหารเลยพูดเต็มปากเต็มคําเพราะพยานเราเยอะคนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วตื่นขึ้ น, นมาเนี่ยนับจํานวนไม่ท้วนละอย่างในห้องนี้สว่างไปพราวพลาวไปหมดเลยนะสวยงามยิ่งกว่าท้องฟ้าจําลองอีกนะใจที่มันตื่นใจที่มันเบิกบานมันสว่างสว่างดังจีนเขาบอกว่าเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อนะสว่างเขาสังเกตดู แต่หลวงพ่อมาสอนที่นี้ใหม่ๆนะมืดตืดต้อๆเลยมืดเพราะว่าอะไรพระใจไม่มีสติพวกเราก็อดทนนะเรียนกันมาสองปีกว่าแล้วจนใจเราสว่างสวัยพรวพราวไปหมดพวกเราที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเรารู้ด้วยตัวเราเองรู้สึกไหมเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเองนะงั้นเราภาคเพี้ยนไปนะค่อยรู้คอยดู ด, ดูเล่นๆอย่าโลภมากอย่าอยากได้ผลเร็วๆรู้สึกไปเรื่อยรู้ไปจนถึงเมื่อไหร่มันก็เมื่อนั้นแหละนะ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 <laughs> ไม่รู้เพราะอะไรนะ <laughs> งั้นเราอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะภาวนาบางทีวูบวบบ้าบ้ า, บาเลยคิดว่าบรรลุไม่บรรลุหรอกะตราบใดที่กิเลสยังไม่ได้ถูกล้างไปอย่าไปเชื่อนะสังเกตที่ใจเรากิเลสเรามีเท่าไหร่เราก็รู้นี่เราดูของเราออกนะสังเกตของเราเรื่อยๆไปอะสรุปพอสมควรแนละ้ว okay. ถือโอกา น, นี้เป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับร่วมกันถวายทานที่มีผู้นำมาถวายครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยเทวธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวปราบสิ้นการละนานเทิน ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสากขรังเอวเมวะอิโตดินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันราโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชนตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขาโยโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปั จ, จายิโนจัตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพระลังภาวนานะช่วยตัวเองให้มากๆ